แนะนำบทยุซุบทยุซุบนี้เป็นบทมักจิยามี111องค์การซึ่งประมวลไว้ด้วยเรื่องราวประวัติความเป็นมาของบรรดานบับีในบทนี้ได้แยกกล่าวทังเรื่องราวของนบียุซุบุตรของนบียะกูไว้อย่างละเอียดพอสมควรเป็นต้นว่าสิ่งที่เขาได้ประสบกับการทดสอบนานาด้านอาชิดได้รับการทรมานจากพี่ของเขาและคนอื่นๆในท้เรียบพร้อมผู้วารชาการอียิปต์ รวมทั้งในคุกตลอดจนการวางแผนลอ่อลวงของเหล่าสตรีในธรรมเนียมจงกระทงะ่งอัลลอะ์ทรงบันดาลให้เขารอดพ้นจากความหนักใจชุดมุ่งหมายในการนี้ก็เพื่อเป็นการปลอบใจท่านนาบีมัมมัสซัลลัลลอฮ์มลัยวะสลัมขณะที่ท่านกำลังประสบกับความรับขันและกลุ้มใจในการสูญเสียคนรักทั้งสองคนในที่เดียวกันคือควาดะภรรยาสุดที่รักของท่านและอบูตลิบ คุณลุมของท่านบทยุสุภนี้มีํำนวนโดดเด่นไม่เหมือนกับบทมักกิยะอื่นๆทั้งในด้านการใช้ถ้อยคำํำนวนการเรียบเรียงข้อความประวัติและเข้าโครมเรื่องก็เป็นที่เพลิดเพลินจับใจอีกทั้งการดำเนินเรื่องก็เข้าถึ ง, ถงใจิตใจของผู้อ่านในรูปแบบที่นุ่มนวลนละมุนละไมไพเร า, าะกลมกลืนและเข้าใจง่ายมีบรรยากาศแห่งความเย็นดูความเห็นปกเหใจและความสงสาร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 การทดสอบจากการล่อลวงและการหลงรับของภรยาผู้วารชการการทดสอบในการติดคุกหลังจากการมีชีวิตอย่างสำดานในรั้วในวังลองดูซิว่ายูซุปมีความอดทนอย่างไวต่อการทดสอบใ น, นกลับนี้เป็นการต่อสู้เพื่อการสร้างสธาเพื่อความถูกต้องและสัจธรรมยูซุปได้อดทนต่อภัยอันตรายและการทดสอบนานาประการ